วันนี้พวกเราทาได้เยี่ยมมากเลยนะอยากจะขอชมที่จริงก็ชมทุกวันนะแต่ว่าชมในใจแต่วันนี้ขอชมดังๆหน่อยถ้าให้คะแนนพวกเรานะก็ให้คะแนนเต็มสิบเลยวันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันจนมาถึงขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าแดดที่ร้อนแรงนะจะแผดเผาตัวของเราเนี่ย ให้กระเดียดไปทางฐานนะคือคลั่นะแต่ว่าใจของเราเนี่ยนะมันเหมือนเพชร น, น, นะเพราะว่าเราได้แสดงให้เห็นว่าจิตใจเราก็กล้ากแกร่งสิ่งที่เราได้ผ่านพบมาตลอดระยะทาง20กว่ากิโลเมตรโดยเฉพาะช่วงบ่ายเนี่ยกิโลเมตรมันแสดงถึงความเข้มแข็งของเรานะไม่ใช่เฉพาะร่างกาย แต่รวมทั้จิตใจด้วยงานนี้เนี่ยถ้าหากว่าใจเราไม่ไม่กล้าแก่งไม่อดทนก็คงจะพาตัวเองเดินมาถึงที่นี่เนี่ยได้ยากมากหรือว่าไม่ได้เลยนะในลักษณะที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่ในเดิมทีก็คิดว่าพวกเรา เรคงจะมาถึงที่นี่อย่างเร็วก็ทุ่มหนึ่งนยะเพราะว่าเมื่อสามปีก่อนเนี่ยระยะทางสั้นกว่า น, นี้ภาคบ่ายสิบสี่กิโลก็ยังมาถึงต้องหโมงครึ่งได้มั้งแต่พอมาเดินพอพวกเราเดินถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยออกจากวัดที่นนท์เหมาใช่ไหมตอนห้าโมงเย็นเนี่ย เราคิดว่าเราคงจะถึงที่สักหกโมงครึ่งนะแทนที่จะเป็นทุ่ม น, นก็คืหกโมงครึ่งแต่ก็เพราะว่าเรามาถึงเร็วกว่า น, นั้นนะหกโมงสิบห้าเพราะว่าเราเดินแบบอนอนสต็อปเลยแปดสิบนะนาทีเกือบแปดสิบนาทีบ่ายนี้เราเดินนี่ก็เกือบหกชั่วโมงนะรวมเวลาพักด้วยเพราะเราออกเที่ยงครึ่ง ก็นัว่าเป็นการเดินที่ยาวนานมากในปาศัลทธรรมยตราเลยดังการเดินของเราในวันนี้ก็ที่จริงก็เป็นถ้าถือว่าเป็นปาศาัลมันก็เป็นปราศาัหน้านหนึ่งของธรรมยาตรานะตลอด18ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ก็เเป็นพอใจของเรานะแทแท้ๆเลยอย่างที่เราได้สาธยายเมื่อสักครู่ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจประเสริฐสุดนะสำเร็จได้ที่ใจเนะชื่อแนะว่าถ้าใจเราไม่ไม่เข้มแข็งหรือว่าวางใจไม่ถูกเนี่ยหรือว่าไม่รู้จักใช้กำลังใจหรือใช้กำลังใจตัวเองเให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราคงจะมาไม่ถึงนี่หรือว่ากว่าจะมาถึงก็อาจจะ ทุ่มสองทุ่มและที่จริงแล้วเนี่ยนะกำลังใจส่วนหนึ่งของพวกเราเนี่ยอาตมาเชื่อมก็เป็นเพราะประสบการณ์ที่เราได้ผ่านการเดินมา5วันโดยเพราะ4วันแรกเมื่อวานนี้ก็ถือว่าไม่ได้ลำบากอะไรที่จริงเมื่อวานเนี่ยภาคบ่ายเนี่ยเป็นการเดินที่สั้นที่สุดนะของธรรมยาตรา3กิโล แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสี่วัน4วันก่อนหน้านั้นเราก็ได้ได้ผ่านประสบการณ์การเดินที่มันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นหรือว่าคุ้นเคยกับความยากลาบากมากขึ้นการที่เราผ่านแต่ละวันแต่ลวันมาได้เนี่ยมันทำให้เรามีความมั่นใจว่า อุปสรรคที่เราจะเจอความยากลาบากที่เราจะประสบในวันนี้มันก็คงไม่ได้หนักหนาอะไรไปมากกว่าวันก่อนหน้านั้นนะประสบการณ์การเดินที่ผ่านมาความยากลาบากที่ประสบมันทำให้เราจะเรียกว่ามีความคุ้นเคยนะกับความยากลำบากซึ่งอัตมาเรียกว่ามันเกิดภูมิคุ้มกันความทุกข์ขึ้นภูมิคุ้ม การความยากลำบากอย่างที่ผู้แป้เมื่อวันซื่เนี่ยหพวกเราสังเกตไหมเวลาเราเดินเนี่ ย, ยเฉพา ะ, ะถ้าเดินข้างหน้าเนี่ยจะจะสังเกตว่าเวลาผ่านบ้านเรือนเนี่ยมันจะมีมาหลายตัวเลยเห่าเห่ากรองเห่าคนแต่มันจะมีบางตัวที่เฉยๆซึ่ง บางตัวก็เป็นหมาแก่แต่ที่ไม่ใช่หมาแก่ก็มีบางตัวแค่หลิวตามมองแล้วก็นอนต่อหรือไม่ก็เดินโตเตะไปตามเรื่องไม่มีเห่านะไม่มีออกมาเห่าเพราะอะไรนะแต่ตบางที่กเป็นเพราะว่าหมาหมาแ ก, แก่แอะหรือหมาตัวที่เฉยๆเนี่ยมันเคยเจอขอบวนทำนองนี้มาแล้ว แล้วมันก็รู้ว่าไม่มีอะไรไม่มีอันตรายอะไรเป็นขบวนการเป็นขบวนแบบชิ่ๆนะมันก็เลยไม่สนใจเพราะเคยเห็นมาแล้วเคยเจอมาแล้วว่าไม่มีอะไรประสบการณ์สอนให้มันมีความนิ่งไม่หวั่นไหวก็เมื่อพวกเรานะประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกจนถึงเมื่อวานเนี่ย เราได้เจออะไรต่ออะไรมากมายมันก็ทําให้เราแล้วเราก็ผ่านมันมาได้แล้วเราก็คงจะเชื่อว่าไอ้ความลําบากวันนี้มันคงไม่มีอะไรแล้วถ้าเรามีความตั้งใจใจสู้รวมทั้งร่วมเดินไปกับเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยเราก็จะผ่านมาได้ไม่ได้ตื่นตระหนอกอะไร อยที่อาตมาก็เคยเล่าเรื่องของญายิมญาญิมที่เขาเจอความยากลำบากต่างๆนานาพ่ออยู่บนเขาเดินลงมาจากเขาเพื่อมาถือศีลในวันพระกว่า8กิโลเดินลงมาเสร็จวันรุ่งขึ้นก็เดินขึ้นไปบางทีก็มีโชคดีหน่อยก็จะมีรถนะพาไปส่งพร้อมกับขนเอาข้าวพริกกระเทียม พิธีกรรายการคนๆ น, นก็ถามยายิ้มว่าเนี่ยถ้าเกิดฝนตกหนักลงมาไม่ได้ไม่มีข้าวกินกินมันกับกลอยจะทันเป็นไงไม่ลำบากเลอแกบอกไม่ก็มันเคยมาแล้วหนาอ่าเวลาเจ็บป่วยเป็นไงไม่มีอยู่ไม่มียาอยู่ไกลหมอแกบอกก็มันเคยแล้วหนาน คือไม่จะถามอะไรกแกแกก็บอกว่ามันเคยมาแล้วเพราะนั้นก็เลยไอความทุกข์ที่ประดังประเดเข้ามาเนี่ยแกก็เลยเฉยเฉยเพราะว่าก็มันเคยแล้วหนาเคยเจอมาแล้วก็ร่วมไม่ไม่มีอะไรหรือว่าในสุด ก, ก็จะรู้ว่าในสุขก็ก็รู้ว่าในสุด ก, ก็จะผ่านไปได้อันนี้ก็คือ แต่มาเชื่อมประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราไม่ว่าจะเป็นแดดที่ร้อนทางที่ไกลหรือว่าความปวดความเมื่อยที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรก็มันเคยเสร็จแล้วนะเพราะน้นวันนี้เราก็เลยสามารถจะพาตัวเองมาได้เพราะเรามั่นใจว่า ถ้าเดินไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็ถึงที่หมายเองจริงวันนี้นี่แดดแดดแรงนะที่มันก็ไม่ตายย่างจากวันก่อนๆตอนบ่ายๆเนี่ยนะตอนบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยแดดมันส่องมาจากด้านซ้ายมือของพวกเราภาคที่นี่ก็สาดแสงร้อนแรงนะเหมือนก็จะเผาพวกเราเพื่อทดสอบว่าพวกเรานี่จะยอมแพ้ั้ย แต่พะเรายัางเดินกันต่อไปเรื่อยๆดวงอาทิตย์ก็ยอมแพ้นะเราสังเกตมาตอนห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนี่แสงก็อ่อนลงแทนที่จะถ้าที่านทสาศาสตร์แสงร้อนแรงนะก็ทอแสงนวลเย็นให้เราได้ชื่นชมเหมือ น, นว่าเขาจะอายอมรับนะ ยอมรับในความมุ่งมั่นความตั้งใจของเราขณะภาที่นี้ยังยังยอมรับหรือยอมแพ้เลยนะจากเดิมที่สาดแสง ร, ร้อนแรงใส่เราแต่สุดท้ายก็ทอดแสงที่อ่อนโยนใครที่ได้ได้เห็นภาทิศเนี่ยตอนที่กำลังจะตกนี่นะก็คงจะ อดชื่นชมไม่ได้นะในความสวยงามของดวงอาทิตย์ซึ่งต่างจากตอนบ่ายๆจะมองว่ า, าพระาทิตนี่เขาก้มศรีรษะให้เราก็ได้นะความคำนับในความมุ่งมั่นตั้งใจของเราแล้วก็มอบทิวทัศิที่งดงามให้กับเราได้ชื่นชมแต่ที่เราเหนื่อยกายเหนื่อยเนี่ยถ้าเราได้เปิดใจนะ รับเอาความงุงนงงของธรรมชาติยามอาทิตตกดินเนี่ยมันก็เป็นกำลังให้กับเราได้เหมือนกันนะอย่างที่ธรามาบอกนะวันก่อนก่อยว่าบนเส้นทางธรรมยาตาเนี่ยอย่าปล่อยใจจมอยู่ในความทุกข์ให้เปิดใจรับความสุขบ้างมันมีสิ่งดีๆที่น่าชื่นชมอยู่มากมายแม้กระทั่ง นะตอนภาะาทิตย์เองเนี่ยสุดท้ายก็ทอแสงที่เหลืองนวล เ, เป็นสีทองให้กับเราได้ชื่นชมเป็นรางวัลซึ่งถ้าไปเดินในกรุงเทพนะก็คงไม่ได้เห็นแลละอยากจะเราเก็บภาพแล้วก็ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็น ความสึกทุกหรือความสึกภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกัรในวันนี้ใน้ความสึกทุกที่มันเกิดขึ้นมันก็สอนเราได้เหมือนกันนะว่าในยามที่เราเสือมันไม่ไหวไม่ไหวแต่สุดท้ายมันก็ไหวจนได้วันหน้าถ้าเราเจอความทุกขเจอความยากลาบากแล้วเรามานึกถึงความทุกในวันนี้เราก็ อาจรู้สึกว่าโอ้มันจิ๊บจอยนะมันเทียมไม่ได้กับสิ่งที่เราได้เจอในวันนี้หรือแม้ทําให้เราได้ตระหนักว่าในยามที่เราเชื่อมันไม่ไหวไม่ไหวสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ดีดที่จริงการที่เรามาเดินแบบนี้นี่มันมันให้ข้อคิดที่ดีนะมันให้ประสบการณ์ที่ดีอย่างที่ การนั่งรถโดยพราะรถแอร์มันไม่สามารถจะให้ได้เมื่อเรามาเดินพาตัวเองออกมาจากรถติดประประกาศติดเครื่องประประกาศเรามาเดินแล้วก็ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมไม่ได้มันทำให้เราได้เห็นเลยนะว่า ถ้าที่ไหนไม่มีต้นไม้เนี่ยโอ้มันมันแทบกันไม่น่าอยู่เลยทุกที่ที่เราเดินเนี่ยถ้าที่ไหนไม่มีต้นไม้นี่มันเป็นยังไงมันร้อนมากเลยแต่พอเดินผ่านต้นไม้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เราจะรู้สึกนะมีความสุขเพราะว่าได้อาศัย ร่มไม้เนี่ยบังแดดเราจะอประสบกณ์แบบนี้มันไม่ไม่มีทางได้ประสบสัมผัสนะเวลาเรานั่งรถติดแอร์เราจะไม่รู้สึกเลยด้ ว, ว่าต้นไม้มีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมได้นะเราควบคุมอุณหภูมิให้มันเย็นอากาศข้างนอกจะร้อนยังไง ข้างในรถหรือในบ้านของฉันีมันเย็นเราก็ไม่รู้สึกว่าต้นไม้มีความสำคัญอย่างไรแต่พอเราเดินออกมาพาตัวเองออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมในพรายนี่น เ, นเราเรียกว่าพาตัวเองมาอยู่ภายใต้ความเมตตากรุณาของธรรมชาติแต่ถ้าธรรมชาติเนี่ย ถูกบันทรถูกระรานต้นไม้ที่เคยมีอย่างหนานแน่นถูกตัดไปเกิดอะไรขึ้นนะความร้อนแดดแผดเผาแตมาเชื่อว่าถ้าเราเมื่อเรามาเดินธรรมยตาเนี่ยเราจะรักต้นไม้มากขึ้นเลยจะเห็นคุณค่าของ ป่าไม้ธรรมชาติมากขึ้นเราจะรักสายลมนะเพราะว่ามันช่วยบรรเทาความร้อนให้กับเราแต่สายลมแบบนี้เนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะไม่เหมือนพัดลมเนี่ยจะเปิดจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่สายลมที่พัดโชยมาบรรเทาร้อนให้กับเราเนี่ย มันมีอยู่ในอำนาจกาควบคุมของเราได้มันเป็นความกรุณาธรรมชาติแท้ๆเลยแต่ถ้าธรรมชาติถูกเบียดเบียนเบียดบังเพราะความไร้เมตตาของเราเนี่ยเราก็เดือดร้อนเองแต่บางทีบางบ่อยครั้งเราคิดว่าเราสามารถจะควบคุมสิ่งแวดล้อมได้อันนี้ก็เป็นความเข่าของมนุษย์นะ พอพอเราเช่อเราควบคุมสิ่งว่าล้อมได้เราก็เลยไม่สนใจธรรมชาติเราก็เผาเราก็ทำลายอากาศข้างนอกจะร้อนอยังไงยังไงฉันก็ไม่สนเพราะว่าฉันอยู่ในบ้านที่ติดแอร์อยู่ในรถที่ติดเครื่องปรับอากาศแต่นั่นมันโชวคราวเช่นนั้นแหละสุดท้ายเราก็ต้องมาอยู่หรือพาตัวมาอยู่ในสิ่งว่าล้อมที่เราควบคุมอะไรได้น้อยมาก สิ่งว่าร้อมที่เราไม่อาจจะเลือกได้ในด้านหนึ่งนะมันก็ทำให้เราต้องเคารพใส่ใจสิ่งว่าร้อนให้มากขึ้นอีกด้านหนึ่งก็ต้องรู้จักฝึกทาใจว่าถ้าสิ่งว่าร้อมมันไม่เป็นไปดังใจเราจะทำใจอย่างไรแดดร้อนนะแต่ว่ามันร้อนแต่กายนะใจสงบเย็น อันนี้ก็ทำให้เห็นความสำคัญของการฝึกฝึกใจฝึกใจดูแลใจรักษาใจแล้วถ้าเราดูแลรักษาใจให้ดีๆนะใจมันก็จะตอบแทนเราใครที่รักษาใจดีรักษาใจเป็นก็จะมีความทุกข์น้อยนะในระหว่างเดินธรรมญาตาใจมันจะช่วยเรา ไม่ให้เป็นทุกข์เป็นร้อนมากจํากัดความทุกข์ให้มันเหลือแค่ทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์ใจนี้สามารถจะทําอะไรให้กับเราได้มากมายนะแต่ต้องเริ่มต้นจากการรักษาใจแล้วต่อไปใจก็จะรักษาเราเท่ากันเดียวกันธรรมชาติก็สามารถจะให้อะไรกับเราได้มากมายแต่เราต้องรักษาเขาถ้าเราไม่รักษาเขา แล้วก็เดือดร้อนเองอย่างที่เราก็ได้ประสมนะว่าทุกที่ถ้ามันไม่มีต้นไม้อย่างที่มันเคยมีสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตา ย, ยายนี่มันจ ะ, ะลำบากแค่ไหนและที่จริงสิ่งที่เราเจอมันยังน้อยนะเพราะาต่อไปจะเจอมากกว่านี้ถ้าว่าเราปล่อยธรรมชาติมันเสื่อมโทม หรือว่าเข้าขั้นวิกฤตหนักขึ้นตอนนี้มันก็วิกฤตอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปมันหนักขึ้นก็จะแย่แต่จะว่าไปนะในความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยมันน้อยกว่าความทุกข์ที่ธรรมชาติเจอนะเราก็แค่ร้อนแล้วก็ร้อนชั่วคราวแต่ธรรมชาติเนี่ยถูกมนุษย์ทํำลายเนี่ยป่าก็ถูกเผาพล้านสัตว์ก็ถูกฆ่าจนสูญพันธุ์ บรรยากาศก็พันผลแปรปวนเราเดือดร้อนเนี่ยยังไม่เท่ากับที่ธรรมชาติเนี่ยเดือดร้อนเพราเรานะเดือดร้อนเพรามนุษย์อย่างพวกเราฉั้นถ้าเรารู้สึกทุกข์รู้สึกร้อนเนี่ยก็ขอให้ตระหนักว่าจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยมันเจ็บปวดกับเราเยอะก็มันก็ก็สมแล้วนะหรือทุกข์ควแล้วนะที่ ความเรามาเป็นปากเสียงให้กับธรรมชาติเรามาเป็นปากเสียงให้กับธรรมชาติที่กำลังเดือดร้อนป่าไม้ร้องไห้ลาห้วยเจ็บป่วยแผ่นดินเป็นน้ำพ่านเอาเลยเป็นปากเสียงให้กับธรรมชาติที่เจ็บปวยวันนี้ได้ล้วก็ก็ควรที่จะประสบความทุกข์เสียเองบ้างนะเราถึงจะเป็น ปากเสียงให้กับธรรมชาติได้อย่างได้ย่งเข้าเข้าใจเราจะเข้าใจความทุกข์ของธรรมชาติได้ก็ต่อเมื่อเราได้เจอความทุกข์ด้วยตัวเราเองถ้าเราพูดถึงการนุรักษ์ป่าในขณะที่เราอยู่ในห้องแอร์มันก็ดูไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่หรือว่าไม่นั่นไม่ไม่ใช่ออกมาจากใจจริงนั้นในในยันธรรมชาติเดือดร้อน เราก็มาร่วมทุกข์เราก็ร่วมสุกับธรรมชาติอย่างที่เราได้มาเดินธรรมยาตราถือว่ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขารงทุกร่วมสุขเพื่อเป็นปากเสียงที่จริงจังแล้วก็ดังกึกก้องนะว่าธรรมชาติกาลังถูกทำลายและพรุ่งนี้เราก็ยังเดินอีกวันน ะ, ะคิดว่า วันนี้แม้เราจะเหนื่อยมากนะหรือว่าอาจจะมีอาการข้องขับนะแต่คิดว่าพรุ่งนี้เช้าเราตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าร่างกายเราก็มีความสามารถในการปรับตัวได้เร็วมากจิตใจก็เหมือนกันเันอย่า ก, กังวลมากนะถ้าเราหลับสบายๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะรู้สึกดีขึ้นกว่าอย่างที่นึกไม่ถึงว่าเอ้ยมันจะดีกว่ามันจะแตกต่างกว่าตอนนี้อย่างไรบ้าง อ่ะก็ต้มาก็ขอพูดท่านนี้นะการาพาพร้อมกัน